พ้อมจะบวชนึกยังฮะพร้ อ, อ, อ, อมหรอแล้ว น, นั่น่ะซ้อมเปล่าจริงหรือเปล่าะจะได้รับไว้ <c oughs> ให้เป็นแน่นะ <c oughs> ถึงเวลาเดี๋ยวจะคล่ำคลวนนะบวชตลอดไม่มีกำหนดนะกับบวชชั่วคราวเนี่ยความรู้สึกต่างกันเยอะนะ บทชั่วคราวเนี่ยมันยังรู้ว่ายังไม่นานควบก็เยนกลับมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆได้ถ้าบวดจริงๆเนะี่ยกล้าทิ้งสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่คุ้นมาตั้งแต่เกิดไม่เหมือนกันนะ <c oughs> จะสู้หรือเปล่า <c oughs> สมพงษเป็นไง <c oughs> ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ขณะนี้ ชิดรู้ตัวเต็มที่ไหมดีแล้ที่เห็นนะรู้ถูกแล้วันนี่ก็ดีแล้วนะพอเข้าใกล้แล้วเปลงสองคนอนะ่ะใช้ได้แล้วคอยรู้สึกไปเรื่อยเวลากิเลสเกิดเราจะเห็นเร็วขึ้นเรื่อยๆไหวมันที่นิ่งอถ้าจงใจเห็นนะของปลอมใจจะแข็งแข็งขึ้นมาถ้าสติปัญญามันเห็นไเองนะมันโลกแยกได้ไหมสองอันไม่เหมือนกัน มันจะโล่งเลยโล่งว่างเลยหสติตัวแท้นี่เกิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาจิตมันจําสภาวะได้มันจําว่าเผลอลลก็รู้ขึ้นมาตื่นถ้า ต, ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็แสดงคำวมาให้ดูแล้วมันดับในสุดสมพง์ก็จะเห็นเลยว่าเออเผลอไปแล้วก็รู้ขึ้นมาเผลอไปแล้วรู้ขึ้นมาได้แค่นี้แหละการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรเยอะหรอกอารมณ์กรรมาฐานมีเยอะแยะ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 คือสภาวะนั้นไม่มีราคาก็เต็มพื้นที่แล้วไม่มีช่องโหว่แล้วหรือจิตมีโทสะกต่จิตไม่มีโทสะเนี่ยแต่ละขณะขณะนี้ไม่มีโทสะกับขณะนี้มีโทสะแค่ผููใดคู่หนึ่งอนะ่ะก็ครอบคลุมเวลาทั้งหมดละนั่นอรารมณ์ในสติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันครอบคลุมเวลาของการปฏิบัติได้ทั้งหมดอย่างหายใจเข้ากับหายใจออกก็ ม, มีแค่นี้เอง ถ้าเรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือมีสติทั้งวันนะหรือ <40 S 2> เรารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถนก like <iss> ็มีอยู่แค่นี้แหละไออิริยาบถปลาดตะหลาดอย่างกระโดดอะไรนี่ก็มีน้อยยังถ้ารู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่ก็คือมีสติได้ทั้งวันนะถ้ารู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคูร่างกายเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกวานะร่างกายเคลื่อนไหว มันก็มีแค่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนไห ว, วก็คลุมการปฏิบัติคุมการเจริญสติได้ตลอดเวลาอยู่ละเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี<ๆ>๋ยวเฉยๆก็ครอบคลุมหมดละวรืจิตจะมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์ก็ครอบคลุมหมดแล้วนั่นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้ในสติปัฏฐานเนี้ยแค่อันแดงหนึ่งแค่อันแดนหนึ่งที่เป็นวิปัสสนานะ พอพอก็พอแก่การเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาว่าตลอดเวลาเนี่ยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ในสติปัฏฐานอารมณ์บางงานเป็นสมถะนะนการพิจารณาป่าช้าเก้าอย่างพิจารณาศพเป็นสมถะการรู้ลมหายใจด้วยการรู้บางแบบก็เป็นสมถะรู้บางอย่างก็งเป็นวิปัสสนาจิตบางดวง ใช้ทำธรรมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้เนี่ยอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยมีปนปนกันอยู่ทําไมมันปนเพราจะจิตหลิบางคนเนี่ยควรจะทํารรมะก่อนธรรมะจริงๆง่ายนะไม่ได้มีอะไรลึกลับยากเย็นเยอะแยะแค่สังพงเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้นะแค่นี้ก็พอแล้วในส่วนจะเห็นเลยจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับ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 ชอบคิดเอาเองอ่ะดีมีทฤษฎีของตัวเองมากมายหรือมีมานะอัตตาครูแน่แล้วครูรู้หมดแล้วพวกนึงดีฉันโง่ถาวรเนี่ยพวกนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนะพวกนึงทิฏฐิมานะทิฏฐิทฤษฎีเยอะต้องอย่างนี้ต้องอย่างงี้ต้องอย่างนี้ออนพูดเราเองหรือพูดตามๆกันพระเจ้าสอนที่ของง่าย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 เคยอีกแล้วนะเคยอิจฉาบ้างไหมเคยอิจฉาไหมมีน้องบ้างไหมยือไม่มี <c oughs> ที่จริงนะกระทั่งเด็กเล็กๆมันก็ดูจิตเป็นนะถามว่าความรู้สึกแต่และชนิดรู้จักไม่รู้จักทั้งนั้นนะอ่ะอิจฉากลัวกั ง, งนะวลดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเนะี่ย รู้จักทุกอย่างแล้วเราพวกผู้ใหญ่เราบอกว่าดูจิตยากพูดไม่ได้นะเราไม่ยอมดูเองทางหาวิธีดูจิตก็คือความรู้สึกเราเป็นไงละ่ะคอยดูมันบ้างความรู้สึกเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ละวันความรู้สึกไม่เคยเหมือนกันบางวันเศร้ามองบางวันผ่องใสเคยรู้สึกไหมแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันตอนเช้า ตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนะความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งวันเคยนึกออกไหมยอย่างตอนตื่นนอนวันนี้กับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาแต่ตอนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนี่พอเราดูเป็นช่วงๆได้แล้วเราดูละเอียดก็แต่และขณะไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนขณะที่หูเราได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน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 คับคิดนะคิดเยอะไปเยอะไปเยู่กับคองนะใส่อยป่ให้หมดจันตูเป็นไงไ อ, อืมอมันคือรู้ว่าสิ่งที่มันไม่ควรจะยเาายอะ่มันก็ยังจะเืไปมันห้ามไม่ได้สังเกตไม่จิตมันจะมีกิเลสขึ้นมาถึงจะชอบไม่ชอบนะมันก็ห้ามมันไม่ได้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 ถ้าห้ามได้นะผิดปกติท mm hmm. ้าได้มีวิธีเดียวทำสมะถะก็ห้ามได้ชั่วคราวข่มไว้ชั่วคราว mm hmm. เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นของบังคับมันไม่ได้เป็นของเปลี่ยนแปลง mm hmm. ทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้ mm hmm. เรียนให้เห็นตรงนี้พงั้นการที่ใจจะไหลาตามกิเลสถ้า mm hmm. เ, เห็นว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะไหลย mm hmm. อย่าตกใจนะ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 ดูออกไหมเออดีที่เห็นนะ ด, ดีที่เห็นให้รู้ทันนั้นใจเราชอบลุงแต่งลุงแต่งมีสองแบบไม่หลงไปก็บังคับไปแข็งแข็งถ้ารู้ทันไม่เป็นไรนะแต่รู้ทันแล้วหนูนาจะทํำยังไงดีมันแข็งแข็งเนี่ยดีใจไหมมันคลาย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 ถ้าเมื่อไรเห็นกายนี้เห็นใจนี้เหมือนคนอื่นนะ่ะการปฏิบัติจะง่ายเพาเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเรารู้ลูกเดียวแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราพอมันไม่ดีมันไม่สุข<ม>ก็เกิดการดิ้นรนต่อสู้อยากให้มันดีอยากให้มันสุขตรงที่ดิ้นรนนั่นแหละทุกข์เหมือนซ้ําซ้อนนั่นแหละนั่นแหละนะไม่ต้องไปยืมมันหรอก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 ไม่มีพลังก็ต้องมาวัดบ้างมาชาร์จพลังนี่ล่ะจิตตอนนี้เป็นไงจิตขณะเนี้ยรู้เต็มที่หรื อ, อยังอแล้วจิตตอนนี้เป็นไงโปร่งโล่งเบาสบายดูให้ดีหนะาอย่งเกรงนิดหน่อยดูออกมาให้เกรงอยู่เอไม่สบายดอกเกร็ง ตุกว่าไงส่งกันบ้านอืมอืมหอทำไมรู้ต <Jub> <açık use. S 1> ัวยากอ่ะอ๋อธรรมดานะกิเลตตัวร mm. <avirus> ้ายเลยตัวหดหูโดยเฉพาะสาวสาวนะพอหดหูแล้วป้อแป้ไปเลยหมดแรงไม่มีแรงจะดู ธรรมดาแนละ้ว น, น, นี่เราหดถูกไหมบิ๊กผู่นี้ยืนยัง น, นะบวชจะบวดนะดดยุให้เพื่อนบวชตัวเองจะสึกอ่านนอกก็ไงตกใจอ้อนก่อนเอา้าสุภาพปฏิสิทตกใจเอา้าสุภาพบูุ้ษก่อน นิวรนตัวไหนล่ะเหลือทั้ทงห้าตัวเลยนิวรนทุกตัวนะสอนธรรมะเราเท่ากันหมดกิเลส ก, กับกุศลนะสอนเราเท่าๆทกันนะนิวรนจะเกิดเจาห้ามมันไม่ได้แล้วไงแล้วไง เออน่แหละสงสัยรู้ว่าสงสัยนะเคยบอกอ้นหลายทีแล้วไม้ตายของกิเลสนะที่ใช้ปรากปัญญาชนมีสองตัวสงสัยก็เบือ่อพอสงสัยแล้วคิดคิดหาคำตอบใหญ่เลยอีกทีหนึ่งก็เบื่อทอแท้ป้อแพ้ไปเลยไม่ดูนะใช่สิมันจะค้นคว้าหาคำตอบก็ฟุ้งเลยกิเลสทุกตัวนะจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัว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 นั้นกิเลสมันทำหน้าที่ซ้ำซากอยู่แค่นี้นะอย่าไปหลงกลมันถ้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวเลยรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราเข้าไปให้กิเลสมันก็หลอกซ้ำซากอยู่แค่นี้เองแต่มันหลอกได้ตลอดนะ <c oughs> ถ้ามันเกิดมันก็ลากเราไปให้ให้เลิกดูจิตดูใจเองมันกลัวมากเลยว่าเราย้อนมาดูจิตดูใจเดี๋ยวจะเห็นกิเลสเดี๋ยวจะเอาชนะมันได้เตรียม <c oughs> แข็งไว้นะทุน ฝึกฝนไปใจก็เย็นลงไปเยอะแล้วไม่าแต่ว่าเรามีสาที่จะได้ถูกเกลีก็เราคอยต้องคอยรู้สึกเรื่อยๆนะหรืออย่างการที่เรามีหมู่คณะมีเพื่อนฝูงเวลาคุยเราก็คุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการมีสติอะไรเงี้ย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 ดูจิต ด, ดูใจของเราไปเลยจนเข้านอนยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดทํางานที่ต้องคิดมันดูไม่ได้หรอกเวลาที่เหลือนะถ้าไม่เผลอใจลอยไปละก็คอยรู้คอยดูไปเรนะื่อยตกค่ากลับบ้านะ่ะไม่พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะทำทุกวันนะทำเรื่อยนิดนิดหน่อยๆน่อยก็ทำไม่รัดเลยการที่เราฝึกฝนของเราทุกวี่ทุกวัน มีข้อวัดอยู่เนะี่ยใจเราเข้มแข็งถ้าจิตใจเราได้พักผ่อนเดี๋ยวถึงเวลานอนเ น, น, นี่ยร่างกายเราก็ได้พักผ่อนตื่นเช้านะเราพักผ่อนมาเต็มที่ทั้งกายทั้งใจสติปัญญาเลยจะเกิดทีจีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดเลยนะเราก็ดูดูเพื่อลเพื่อก็เยนี่ข้อวัดหรือการปฏิบัติ3ามรูปแบบเป็นของจาเป็นจำเป็น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 เดี๋ยวมันจะเกินย4ิบสี่ชั่วโมงถึงจุดหนึ่งนะั้นใจจะฟอเลยท้อแท้ท้อแท้ไปเลยงั้นตั้งปนิธานแบบที่เราทำได้จริงๆนะแต่ทำเกินแล้วก็ทำไร <c oughs> บ่อยแล้วไงบ่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก อย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะทำมั้งกล่าตกข้ามเอาใดเทียงกันตกข้ามพากันเดินจงกรมทำสมาธิสินะให้ได้แรง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 รู้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มีกําลังขึ้นมารู้จิตรู้อะไรก็ได้รู้กายทั้งกายก็ได้นะจะไปรู้ลมหายใจเดี๋ยวมันเพ่งถ้ารู้กายทั้งกายเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะใจของเราเป็นคนรู้คนดูนะอย่างนี้เราก็เท่ากับเรายัางเจริญนิพพสนาอยู่แต่ว่ามารู้กายนะแต่ถ้ารู้กายก็ไม่ไหวเราเนี้ยเป็นเวลาทําสมถะแล้วนะถ้าสมถะกขาไม่ไหวเอาไม่อยู่